ธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงออกเพื่อสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นธรรมที่ทรงรู้ประจักษภายในพระทยัยเต็มสัตวเต็มส่วนไม่มีอะไรบุกร่องโงคจึงแสดงได้อย่างไม่ทุกขสะทานแสดงได้อย่างองอาจกล้าหาญพร้อมด้วยความเมตตาเต็มส่วนที่อยากที่จะให้สัตว์อยากจะให้สัตว์ทั้งหลายได้เข้าเข้าใจในธรรมที่รรทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วทุกๆ ขั้นทุกตอนมันทันถึงเน้นหนักในการปฏิบัติในทำสามอย่างนี้แยกกันไม่ออกปริยัติน่นบอกแล้วว่าให้ทำยังไงปฏิบัติก็ดาเนินตามที่สอนแล้วปฏิปฏิเวหมายผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่สืบเนื่องมาจากปริยัติที่ ท, ท, ทรงอย่างทรงที่บอกแล้วในเวลาบวช เกสารุมานข า, านตัดตะจวนนั่นแหละคือบอกแล้ว น, นี่นี่งานนะแล้วสถานที่ทำงาน็ขบอกอีกที่ไหนที่ทำงานงา น, นอันนี้สะดวกที่สุดคือที่ไหนนะอันดับหนึ่งกระลุกขมูลล้นะมไม้อันดับต่อไปต่อไปข้านก็บอกไปเรื่อยๆอันตาว่าอติเลกันอติเล ก, กันาอติเลกัลาโูสิเลือเพือหรือลาภเพื่อเืออะไรว่าไป อันดับหนึ่งก็คือตรงนี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงทําดูแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้ผลเป็นที่พอกระถ่ามาแล้วยิ่งไม่ได้สอนแบบสุ่มสี่ซุ่มห้าเราผู้ปฏิบัติตามจึงไม่ควรทําแบบสุ่มสี่ซุ่มห้าโดยไม่ พ, พ, พิจิตพิจรารณาไถ่จองตามร่องรอยที่ทสงสั่งสอนไว้ธรรมะเราจะไปพูดถึงเรื่องว่าสมัยนั่นสมัยนี้ มันก็เหมือนกันกับกิเลสที่ฝังอยู่ในหัวใจเราเนี่ยมันไม่มีสมัยใดละกิเลสต้องเป็นกิเลสวันยังค่ำไอ้ถือเอาจุดนี้ธรรมะเพื่อแก้กิเลสถ้านํามาแก้ให้ถูกต้องก็แก้ได้วันยังค่ําเช่นเดียวกันแต่ส่วนมากเราเนีมักแต่จะไม่ทันกลมายาของกิเลสและไม่ทันไม่ใช่มักไม่ทันมันไม่ทันห่ารมากกว่าอะไรๆถ้าเป็นผลลบแล้ว มันจะเชื่อได้ง่ายเชื่อได้ง้ายจะเป็นผลบวกเชื่อได้ยากเนี่ยผลลบคือเรื่องของกิเลสมันต่อยเอาภาพไนหลุดลอยไปเลยถ้าเป็นเรื่องของธรรมนี่เกาะไม่ติดนี่แหละมันยากอ ย, าอยู่ตรงนี้ในเบื้องต้นที่มันเกาะยังไม่ติดนี่ต้องได้ใช้ความเป็นปิการใช้ความพยายามการพิถนผลตนก็ต้องได้สังเกตอย่างที่ท่านพูดในสัพปายะนั่น ไม่ใช่ไม่ใช่สัปพายะเพื่อถากประขันหลักใหญ่คือสัปพายาเพื่อกิจตภาว น, นาสัพพายะคืออะไรบ้างอาหารและสัปพาะยาะนะพระองค์ทรงเหลือเฟือที่ไหนดูนี่เป็นกษัตริย์สเสด็จออกทรงปรหนวดมันก็เหมือนกับเทวดาตกจากสวรรค์ลงแดนนรกนั่นเองจะผิดอะไรไปะกษัตริย์เสด็จออกทรงประหนวดหาขอทานเขาสวยนั่น ขนาดไหนนั่นแหละสัปพยาพร ะ, ะ อ, องค์ทรงได้ได้จัดสรุปเพราะอาหารเหล่านี้นะไม่ได้แต่สรุปอาหารในพระรา ช, ชวังนี่ก็เป็นสัพปปยาอันหนึ่งที่เกรดกวนพินิพิจารณาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่พาเราดําเนินอย่างสมัยปยัจจุบันนี้ส่วนมากมักจะเป็นอาหารประเภทเหล่านี้แหละที่สัปพยาสัพปปยาคือการภาวนาสะดวกสบายท่านอยู่ในป่าในเขาอยู่กับคนป่าคนเขาเขามีอะไรเขาก็ สบาตรให้น้ําพริกไรที่ไหาของยิบยีนี่ไม่มีแล้วมีของพอยังประทังชีวิตประทังชีวิตนั่นแหละความพอประทังชีวิตในร่างกายของเรานั่นแหละแต่มันเป็นสัพพยะสำหรับการภาวนานมันดีที่ตรงนี้สบายๆฉันมันก็ไม่ไดฉันมากเพราะอาหารก็อย่างว่าจะพอฉันมากอะไรบางทีไม่มีอาหารมีมีแต่ข้าวเนี่ย จะเอาอะไรมาฉันมากหรือหรืมันก็การมาเป็นสัพพายะคือการนั่งภาวนาก็ไม่งมกหง่วงคือไม่สปปะพโงกงงันไม่กวนเรื่องหลับเรื่องนอนนั่งแต่กิตเป็นทางด้านสมาธิก็สงบแนว่วถ้าเป็นทางด้านปัญญาก็พิจารณาคล่องตัวนให้เห็นที่สมาธิพระพุทธเจ้าสอนไว้ที่ตรงไหนที่อยู่ของสมาธิจริงๆที่อยู่ของปัญญาจริงๆที่อยู่ของมรรคผลนิพพานความหลุดพ้นจากกิเลสจริงๆมัน อ, อยู่ที่ไหน ค้นหาให้เจอสิี่เล่มอยู่ที่ไหนนั่นนี่แหละท่านสอนทุกบททุกบทสอนลงตรงนี้นะให้ค้นหาเห็นทําเหล่านี้นะ่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับทําเหล่านี้สะดวกสําหรับทําเหล่านี้ก็บอกหมดนี่อาหารเป็นความสะดวกสํกาหรับทําเหล่านี้ก็บอกอาหารสปรายะนี่อุตุสปายะเราก็หาอากาศที่พอเหมาะสมกับเราสำหรับอุตุสปายะอินฟ้าอากาศเปนที่เหมาะสม ไม่ทึบเช่นอย่างในเขาในถ้ำนี่ก็ไม่ใช่ถ้ำทึบๆโล่งอยู่สะดวกสบายเช่นอย่างอโกิกรรมตันวาอโิการนั่นคือเป็นความสะดวกสบายมากแล้เป็นการปลีนเวลาเช่นในกลางท่ามืองคืนพระกรรมาฐานในวงเราทุกวันนี่เลืนไปหานั่งพอนาอยู่หินดานหินดานเป็นหินดานหรือหินพลานอะไรแล้วว่า mm hmm. เหมือนกระดานเนี่ยเลื่อนไปหานั่งภาวนายู่ กลางแก้งเงี้ยเงียบสบายนั่นบางคืนเงียบอา้าวที่นี่เสือจะมาทางไหนล่ะก็มันไปอยู่ในดงของมันเนี่ยนั่นแหละเราจะเห็นความสามารถของเราจะได้เห็นว่าสติปัญญาของเราออกทำงานมันเปนไหนได้ยินแต่สติปัญญาสติปัญญาถ้าไปถูกสถานที่ฉะนั้นครอบงำเข้าไปแล้วไม่ต้องบอกสติปัญญาจะมามาเองเพื่อการแก้ไข เหตุการณ์ที่กําลังแสดงอยู่เวลานั้นไหนพังทิ้ยิ่เมื่อมีผู้รักษาสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาแล้วทําไมจะไม่สงบทําไมจะแสดงไม่แสดงความแปลกประหลาดอาจารย์หเห็นเพราะพระพุทธเจ้าทรงได้รับความให้จาร์มาแล้วจากวิธีการเหล่านี้นี่นี่เราให้ค้นหาสิสมาธิอยู่ที่ไหนก็ให้ได้จะได้เห็นอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้ให้มันชัดในหัวใจจะของเสิปัญญาปัญญาขัาน้นใดไม่ต้องบอกว่า ไม่ต้องถามใครแล้วลงได้ปรากฏขึ้นในใจแล้วเป็นสันธิโกสันนิโกเลื่อยไปท่านหาความสะดวกสบายสบายให้สบายให้ปุคลาสปายะเพื่อนฝูงไม่ขดัดไม่แย่งกันเรื่องพิธีกานลนะการพูตปฏิบัติตรงรอยกันเพื่ออัดเพื่อทําด้วยกันนี่คําว่าปุคลาสปายะจะหมายถึงอะไรเป็นส่วนมากก็หมายถึงเพื่อนฝูงที่ไปด้วยกันอยู่ด้วยกันนะั่นแหละเป็นสําคัญ ประชาโชญายมมีเป็นบางการบางเวลาเท่านั้นไม่สําคัญยิ่งกว่าพุกละสัพยะคือเพื่อนอันเดียวกันนี่สําคัญมากเนี่ยบ้าไว้กี่อย่างล่ะอือาหาสัพยะกรพูนแล้วแต่กินนี้อือัตถุสัพยาก็ะพูนแล้วอย่างนช่นอาว่าสัปยะอืาที่อยู่ที่อยู่ที่ไหนก็ท่านก็บอกไว้แล้วลูกอมูลเป็นที่หนึ่ง จานั้งเป็นอันดับสองดับสามไปนี่มีแต่คําว่าสัพพยาสัพเพยาคือความสะดวกสบายสําหรับการบําเพ็ญนะไม่ใช่สะดวกสบายในการหลับการนอนการแบบอยู่แบบโลกโลกเขานี่อยู่เราอยู่แบบทำเอียบททั้งสีเป็นอรียบทของนักบวชแบบธรำเราจรึงต้องได้อยู่แบบนี้นี่แหละการที่จะมาอยู่แบบนี้มาทําแบบนี้ต้องพิจิตพิจารณาพระาวา่าของพระเจ้าให้ถึงใจ ยาศักแต่ว่าฟังเฉยๆฟังเฉยๆมไม่ถึงใจพระพุทธเจ้าชงแสดงแก่โลกแสดงด้วยความถึงพระทัยจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นๆนี่ยพวกเราฟังมันฟังแบบเล่นๆคนหนึ่งพยายามเอาน้ําเทลงในหม้อของเราหม้อน้ําเราอุ้มความลงเอาก้นขึ้นมันเอาอะไรมาเทแต่มันก็ไม่เข้าเอาน้ำมหาสมุทรมาเทมันก็ไหลออกหมดนี่จะทําอะไรที่ตรงไหนเจ้าเลยทำพระพุทธเจ้าไปแต่เทมันมัน ไม่มีอะไรลับมันก็อย่างนั้นนะไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยพาการตั้ง อ, อกตั้งใจพระพฤทธปฏิบัติขอให้สังเกตร่องรอยพระองค์ให้ดีนะสังเกตร่องรอยพระพุทธเจ้านั้นนะ่ะสําคัญร่องรอยที่ที่ท่านแสดงไว้คืออะไรทำทุกบททุกบาทวินัยก็ให้เขารบทำเพื่ให้เขารบทุกบททุกบาทใช้ความสังเกตด้วยดีนั่นละ่ะเราจะไม่ผิดหวังหละ่ะจะเจอความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงเจอมาแล้วโดยไม่ต้องสงสัย วันนี้ขอแสดงเพียงเท่านี้อาล่ะขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านตลอดทุกๆองค์าล่ะนะ